ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสะดับรับฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาพล้อมกับการนั่งสมาธิภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุโทโธให้หลับตานอกแต่ตาในตาใจไม่ให้หลับคำว่าหลับตานั้นให้เข้าใจด้วยตานอกนี่กิเลสราคะโทสะโมหะมันชอบดูโลก ไม่ว่าโลภคนโลภสัตว์โลภวัตถุเข้าของโลภทรัพย์สินเงินทองโลภแก้วแหวนแสนสิ่งที่มนุษย์สมมุติว่าดีจิตหลงอันนี้มันชอบมันชอบอยังไงเพราะว่าชอบมันจะได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ ไม่ให้มีที่สิ้นสุดลงไปได้เหะนั้นพวเครื่องประดับประดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นความพอใจความดีใจจึงได้เอามาคล้องคอไว้เป็นเชือกผูกคอเป็นเชือกผูกค อ, เ ป, เ, อ, กกคอเป็นปอผูกศอกมัดไว้ให้อยู่ในวัฏสงสาร ให้มีความยินดีพอใจในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในโผธพระธรรมมาลมจึงหนีไม่พ้นหนีไปไหนไม่ได้ตายไปแล้วมันก็กลับมาเกิดอีกเกิดมาแล้วมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละในโลกในวัฏสงสาร แต่ว่าคนอื่นจะไปแก้ไขให้ไม่ได้คือใจของตัวเองจะเล่รู้เข้าใจแล้วก็แก้ไขพิจารณารวมจิตรวมใจเข้าไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านให้ภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนั้นต้องการจิตสงบจิตตั้งมั่น จิตเป็นสมาธิภาวนาแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจะได้กำหนดพิจารณาลูปนามกายใจของตัวเราของบุคคลผู้อื่นหรือทั้งโลกนี่แหละ จนเห็นแจ้งลงไปในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราต้องการอยู่ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่จิตใจมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอา นับแต่งแต่รูปนามกายใจตัวตนของเราออกไปจนถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์ตัวอื่นและวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์เอามาก่อสร้างประกอบกระทมให้เกิดให้มีขึ้นเป็นที่โยอาศัยบ้านเรือนก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ภาวานาพิจารณาให้ดีมันเป็นเครื่องติดเครื่องคล้องพาให้จิตใจนั้นไปไหนไม่ได้มันมัดไว้ในใจใจมันมัดอารมณ์ไว้อารมณ์มันมัดจิตไว้ก็เลยไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามันล่องอยู่อย่างนั้น เหมือนคอตัวน้อยๆเมื่อสัตว์มันกัดเข้าไปกำลังมันสู้สู้นักสู้เสือสู้อะไรไม่ได้มันกรลองลองออกออกแต่มันก็ไม่ออกมันเอาจนถึงตายตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันคล้องอยู่ มันครอบอยู่ครอบงามอยู่นอกจากวัตถุเข้าของนอกจากสิ่งเหล่านี้ก็มีมากมายที่จิตมันคล้องมันติดอยู่คนโบราณอาจารย์เมื่อเก่านเพิ่ยังตั้งเป็นคลองเป็น เป็นเครื่องเตือนใจของจิตหลงอันนี้ว่าตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอธรรมดาเชือกผูกคอมันไปไหนไม่ได้เหมือนเขามัดคอมัดกระเบือก็มัดคอมันเมื่อเชือกดีมัดคอแล้วไปไหนไม่ได้มันแก้เองก็ไม่ได้ ถ้าคนไม่แก้ให้ก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่ว่ตันหาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอตันหาลักผัวลักเมียเหมือนปอผูกศอกเขว่าคำว่าผูกศอกก็คือว่ามัดมือมัดศอกมัดศอกมัดแขนหรือว่าไพร่ไปตั้งหลังแล้วก็มัดไว้อย่างนั้นะ ถ้าคนอื่นไม่แก้ให้ก็แก้ไม่ได้เขามัดมือไว้แล้วข้างหลังตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกเมื่อผูกศอกแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วถ้าอวดดีไปเดินไปก็ล้มแล้วก็ลุกไม่ได้แล้วมันตัณหารักวัตถุเข้าของ ก็ไม่ใช่ของเล่นท่านว่าตัณหาลักวัตถุเข้าของนี้เหมือนเหมือนปอกสุบตีนเหมือนมัดตีนก็ว่าได้เหมือนปอกสุปตีนคนเราที่ใหญ่มาหลายสิบปีย่อมเห็นเวลาเขาเอาช้างไปปล่อยไว้ ธรรมดาช้างตัวมันใหญ่จะไปมัดไปยังมันไม่ฟังล่ะเขาต้องเอาปลอกซุบตีนมันไว้ปลอกเขาก็เอาหวายเป็นเส้นเป็นเส้นมาทำเป็นปลอกคือว่าเอาใส่เอาใส่ขาหน้ามันไว้ทั้งสองขานะเวลามันไปทางไหนมันก็เต้น ก, ก็กยบก็ยบก็ยกไปมันมันติดปลอกมัน ท่านเปรียบอุ ป, ปมาเหมือนว่าเจ็ดคนเราไม่ภาวานาละกิเลสมันเหมือนใส่ปอกตีนใส่ตีนคนก็ได้แต่ว่าปอกที่เราเห็นได้ชัดเขาใส่ตีนช้างตีนมันใหญ่แรงมันมากเขาเอาหวายเส้นใหญ่ๆโบราณถักเป็นบ่วงแล้วก็รวมกันไว้ เวลามันจะไปทางไหนมันก็เต้นเอาข้างหน้ามันย่างออกไปไม่ได้เอาขาหลังกระโดดไปเป็นนั่นแหละ น, นั่นเขาจึงเลียงไว้ว่าตัณหาลักลูกลักเต้านั่นเหมือนเสือกผูกคอตัณหาลักผัวลักเมยเหมือนปอผูกสอบตัณหาลักวัตถุเข้าของเหมือน ปอกซุปตีนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไปไหนไม่ได้ ล, ลืนตาแมแมบแแมบอยูเท่านั้นแหละไปก็ไม่ได้แล้วก็นั่งเฝ้าอยู่เหมือนเลีงเขามัดใส่ต้นไม้แล้วก็นั่งเฝ้าไปไหนไม่ได้มันคาเชือกเล็ก ใจิตใจคนเราไม่ภาวนาไม่ภาวนาให้ดีล่ะไม่ได้มันติดมันติดอยู่ที่นี่แหละหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายออกพรรษาขาดจะสึกก็เพราะว่ามันนี่แหละสามสี่อย่างมันมัดไว้มันไม่ได้ปล่อยละ แม้ทางนอกมันเป็นอิสระอยู่แต่ภายในจิตมันยังมัดอยู่ไม่ว่าใครๆทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปอกตีนเหล่านี้มันมัดทั้งนั้นแหละจงภาวนาดูมันจริงหรือไม่จริงโบราณแต่งไว้แล้วเราก็ให้พากันแก้ตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอแก้มันได้อย่างไร ผู้มีแล้วก็เรียกว่าแก่ผู้ยังไม่มีก็อย่าไปมีมันลกนะูกเมื่อลูกไม่มีมันก็ไม่มีปอกไม่มีเชือกผูกคอไปทางไหนก็ง่ายตั้หาลักผัวลักเมียเหมือนอ เหมือนมัดหลังไั่ไว้อปอผูกสอบเชือกผูกสอบผูกมันไปไม่ได้ตัณหาลักวัตถุเข้าของความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีความเป็นมีได้มาทั้งหมดหนั่นกับมันเอามาอะไร ก็มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอรูปนามกายใจตัวตนอันนี้แหละเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกเมือ่อแต่รูปนามกายใจอันนี้มันก็ไม่รู้จะรู้จักเจ้าของเลี้ยงมันจิตใจเราไม่ภาวนามันก็มาเป็นธาตุเป็นขี้ขาตัญหา การตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแทนที่เราจะได้อย่างที่เราคิดหมายแต่มันเลืยมาเป็นขี้ข่าเป็นขี้ข่าตัณหามันมัดไว้แล้วมันไปไหนไม่พ้นมันตายแล้วมันก็กลับมากลับมาอีกกลับมาก็เชื่อกผูกกันเก่านั่นแหละมัดไว ตายอีกชานไหม ก, ก็กลับมาอีกก็มามัดอีกอยู่อย่างนี้แหละเวลานั่งสมาธิภาวนาต้องตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดขาดให้ใจมีกำลังมีความสามารถอาจฐานจิตไม่สงบก็เอาให้มันสงบระงับได้ไม่ได้อย่าไปถอย จิตมันไม่สงบก็เพราะว่า <c oughs> เราตัดเชือดตั้หาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัดเชือกผูกคอไม่ขาดเชือกผูกในคอเราแล้วมันเป็นมัดใส่ต้นไม้มัดใส่หินไว้มัดอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นละไปไหนไม่ได้ถ้ามีผู้มาถามว่าทำไมไม่ไปไหนไม่ภาวนาหรือ ข้าไปไม่ได้แล้วเชื่อผูกคอขอให้ท่านตัดให้ด้วยผู้ตอบเขาก็จะตอบว่าใครผูกก็แกเป็นคนผูกแกก็ตัดเองสิไปนั่นแหละตัดไม่ได้ตัดไม่ได้แกก็ตายอยู่นี่แหละเขาก็ว่ายอย่างนั้นแล้วก็มัดไว้นั่นแหละมัดเป็นที่เป็นที่ไว้เกิดในชาติใดก็ มัดไว้ในพบนั่นชาตินั่นพ่อของข้าแม่ของข้าลูกของข้าหลานของข้าพี่น้องป้องปลายของข้าอ่ามันมันมัดไว้ทั้งนั้น <c oughs> มัดคอไว้คอมันเกี่วหัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่มันเลยไม่หลุดหลุดออกไม่ได้ ตัณหาลักผัวลักเมเหมือนปอผูกศอกเหมือนมัดไผ่หลังมันไปบ่ได้ต้องตัดคราวนี้ต้องตัดให้มันขาดภาวนานั่นแหละไม่ใช่เอาเขียนหนังสือตัดไม่ใช่เอาคำพูดนี่ตัดเอาจิตตัดนั่งสมาธิภาวนานิดๆหน่อยๆก็ว่าเป็นทุกข์เป็นร้อน ทนไม่ไหวกันเกิดมาใหญ่แล้วมาหาเอาผัวมาหาเอาเมย์ทำไมมันหาได้หาเอามรรคผลนิพพานมันไม่ได้หรือดูเรื่องของเราให้ดีเรื่องคนอื่นอย่าไปวุ่นวายทำไมมันเป็นอย่างนี้เน่แหละพระพุทธ เ, ทเจ้า ตัวอวิชชาคือจิตไม่รู้มีแต่อยากรู้แต่ไม่ภาวานาให้มันรู้มันมีภาวานาตั้งใจให้มัน่นแล้วมันก็ตัดเชือกตัดปอตัดอารมณ์สัญญาลู้จักลู้แจ้งลู้จริงในจิตใจของผู้ภาวานานั่นแหละ คือต้องฝึกฝนอบรมจนเกิดสติสมาธิปัญญาในจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจึงตัดได้ถ้าผู้นั้นไม่ฝึกฝนอบรมไม่ทำจิตทำใจของตนให้ อ, ใหออกจากเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้มันก็ติดอยู่อย่างนี้แหละจะขึ้นไปไหนไปอยู่ที่ไหนมันก็ให้ผู้อื่นแก้ไม่ได้ ไม่มีผู้ใดมัดก็จิตราคะโทสะโมหะอาวิชชาตัณหาที่ไม่ภาวนานี่แหละมันมัดไว้เองมัดไวมันเหยียบไวมันข่มไวมันฆ่าให้ตายอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรายังจะเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่างไร มันเหยียบย่ำหัวใจเราให้เกิดทุกโทมนัดครับขคนแน่นใจล่องให้น้ำตาไหลอยู่ในโลกอันนี้แหละย่อมมีความทุกข์ใจและมีความทุกข์กายด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกขเวทนาต่างๆสุ ข, ขเวทนาต่างๆที่มันเกิดมีขึ้น เหมันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตนี่เองคราวใดเวลาใดร่างกายสังขารเราอยู่ดีสบาย<ม>ก็เหมือนกับว่าสบายไปหมดคราวใดเมื่อใดสังขารร่างกายไม่สบายก็เป็นไม่สบายคันสบายก็สบายไปหมดคือมันมันเกี่ยวโยงกันเพราะความยึดถือจิตใจเรามายึดถือ ไม่ใช่กิเลสมันมายึดมาถือกิเลสมันไม่ได้ยึดถือถ้าละปล่อยวางแล้วกิเลสมันก็หลุดไปมันหลุดไปจริงๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกที่มันเราละแล้วถอนแล้ววางแล้วมันกลับมาอีกคือมันยังไม่ได้หลุดมันหลบหลบกับหลุดมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละ มันหลบไปหลบมาเราไม่รู้เท่าทันมันก็มันก็หลุดไม่ได้มันก็ผูกไว้มัดไว้เหมือนคนมัดสัตว์ใหญ่ก็ต้องเอาเหล็กมัดเหมือนมัดช้างถ้ามัดวัวควายช้าอาม่ามันตัวมันเล็กก็เอาเชือกกอมัดมันก็อยู่สัตว์เล็กลงมาก็มัดสิ่งเล็กน้อยลงมามันก็อยู่ ใจคนเรานี่ก็เหมือนกันท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อให้เอาคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตมัดใจให้จิตใจมาจดจ่ออยู่ในคุณพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นต้องแบ่งผ้าจึงจะเข้าใจถ้าไม่แบ่งผ้าจะมายึดว่าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ร่างกายเป็นของโลกเขาแมจะมีลัศมีหกประการอะไรอะไรสวยงามทุกอย่างอย่างพระวรากายของพระพุทธเจ้าก็ตามโรูปรัขันร่างกายนี้มีชลาความแก่เหมือนกับคนเราธรรมดาแต่ความดีความสวยงามพระองค์เป็นผู้มีปุริสลักษณะสวยงามพิเศษ เพราะว่าพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้าแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยชลาพยาธินั้นเหมือนกันหมดก็ดูที่เมื่ออายุของพระองค์พันษาได้แปดสิบพันษาตัดสูดได้สี่สิบห้าปีก็โยอย่างธรรมดาไม่ได้แล้ว8ปดสิบบริบูรณ์ก็เรียกว่า เอาหมอกเอาพอดีไม่เลยนั้นคำว่าพอดีนั้นก็คือว่าขนาดแปดสิบแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงที่สุดอย่างพระพุท ธ, ธ้าวพุทโธนั้นก็ยังพอไปมาได้อยู่แต่ถ้าหากว่ามันเลยแปดสิบไประวังอะ น, นั่งก็โอ้ยนอนก็โอยลุกก็โอย หลงลืมไปทั่วเวลาจะลกโดยตนเองก็ลกไม่ขึ้นลกไม่ขึ้นลกไม่ได้ต้องหาที่เกาะหาที่หน่วงขึ้นเวลาลกขึ้นก็เอาโน้นเอาท้งโตดขึ้นก่อนนั่นแหละคืองมันเลยแปดิไปแล้วล่ะลำบาก แตพรของพระในทางพุทธศาสนาท่านก็ให้อายุทุกคนว่าให้ได้ร้อยปีร้อยปีนะั้มันแย่ที่สุดล่ะเดบุตรเดก็ตายในห้องน้ําลุกขึ้นมาล้มลงก็ตายตายในห้องนอนในที่นอนก็ตายได้ลุกขึ้นไปแล้วก็เป็นลมล้มลงก็ตายอยู่ในที่นอนนั่นแหละ นั้นละคือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เอาขนาดแปดสิบเข้าฌานภาวนาไปสู่นิพพานที่แล้วหลอดไม่ต้องมาเกาะเกี่ยวนวงเหนียวเอากระดูกสามรอยท่อนนี้เป็นทุกข์เป็นร้อนไปไหนมาไหนก็หาไปแบกไปหามไปทายไปหนักที่สุด แน่แหละให้ดูสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพุทโธจริงๆหมายถึงจิตจิตบริสุทธิ์จิตใสสะอาดจิตหมดกิเลสลาคะจิตหมดกิเลสโทสะจิตหมดกิเลสโมหะคําว่าพุทธพุทโธนั้นแม่คนเราก็ตามรูปร่างจะเป็นคน หัวดำผ้าดำอย่างไรก็ตามถ้าภาวนาจริงๆให้จิตใจนั้นลดออกจากกิเลสความโกรธลดออกจากกิเลสความโลภลดออกจากากิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะไม่มีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแม้จะเป็นญาติเป็นโยมเป็นคฤรืหัสอย่างไรก็ตาม ก็เข้าถึงพุทธพุทโธจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสได้เหมือนกันสมัยครั้งพุทธการแก่ชลาอย่างลาทะพรามหาผู้เป็นอุปชาให้ไม่ได้เพราะแก่แล้วถ้าใครเป็นอุปชาก็จะลำบากจะได้ปฏิบัติลูกศิษย์เท่าลูกศิษย์แก่ชลา ภาวนาก็ไม่เป็นเป็นแต่กินกับนอนใช่ไม่ได้หาอุปัชาก็ไม่มีหาผู้จะเป็นอาจารย์ให้ก็ไม่มีวันลาทาพรามณ์จะบวชมาขอบวชในศาสนาจนพระพุทธเจ้าได้ประกาศในหมู่สงฆ์ว่าลาทาพรามณ์อยากจะบวช ใครเล่าจะเป็นอุปชาให้ใครมีบุญคนอะไรต่อลาทพ า, ามนี้หรือว่าลาทพ า, ามนี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่พระสงฆ์องค์ขเจ้าก็เป็นอุปชาให้ลาทพ า, ามบ้างลาทพ า, ามแก่อยากบวชพอพระองค์ประกาศในหมสง สทั้งหลาย ท, ทั้งที่สงเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่หันหน้ามาหาลาตาผาบยังมีพระสารีบุตรธรรมดาว่าพระสารีบุตรนั้นเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระสารีบุตรนั้นท่านไม่ ยึดไม่ถือเหมือนคนเราใครทำคนทำประโยชน์ใครมีอุปนิสัยบารมีอย่างใดท่านภาษาลีบุตรพุทธสาวกเป็นสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเท่ากันกับ ว, ว่าพระหัตถขวาหรือแขนขวาคนเราแขนขวามีกำลังเหมือนแขนขวาพระพุทธเจ้า ภาษาลีบุตรเป็นผู้รู้จักบุญคุณอย่างท่านได้พบได้เห็นได้กราบไหว้พระอัจฉริไปเผยแผ่ธรรมได้ฟังธรรมของอัจฉริว่าเยเกจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมมีเหตุมีปัจจัยดับไป ได้บรรลุเป็นโสดาปัติผลเป็นพระอริยบุคคลจากนั่นมาพระสาลีบุตรนั้นเป็นผู้รู้จักคนของอาจารย์ผู้แสดงธรรมให้ฟังเมื่อท่านจะหลับจะนอนทุกคืนทุกครั้งท่านระลึกถึงพระอาจชริว่าเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ทิศไหน ถ้าลาแตพระอาชาชิอย <disadvantaged country> <fuera> anyway. ู <mankind Totally> <stupid> right ่ทิศเหนือท่านก็พินศีษะไปหาทางทิศเหนือถ้าพระอาชาชิตอยู่ทางทิศใต้ท่านก็พินศีษะไปทางทิศใต้พระสอาดชาติไปอยู่ทางทิศตะวันตกก็พินหัวไปทางทิศตะวันตกพระอาชาชิอยู่ทิศตะวันออกเวลานอนสารีบุตรก็ นอกจากกราบไหว้และลึกถึงแล้วพินหัวไปทางตะวันออกเวลานอนท่านก็ไหว้าอาจารย์ไหว้พระพุทธเจา้าไหว้พระอาจารย์คือเป็นผู้รู้จักบุญคนเมื่อมาถึงลาทัาพามก็สาลีบุตรรับรองว่าลาท่าพามนี้มีประโยชน์แก่ข้าพระองค์ ว่าสาลีบุธน์โทนตอบพระพุทธเจ้าว่าคราวหนึ่งข้าพราะองค์ไปบินทบาทลาท่าพามนี้ก็ไม่ได้ใส่บาตรล็อกแต่ว่าลาท่าพามนี้บอกให้คนอื่นว่าญาติโยมพระท่านมาบินทบาทมาโปรดพักกันใส่บาตรด้วยเท่านั้นแหละ แค่นั้นพระสาลีบุตรท่านก็เห็นคุณของคนว่าเข้าทัพพีนั้นเข้าปั้นนั้นหล่นลงบาดสาลีบุตรเพราะลาทพ า, ามคนนี้ข้าพระองค์จะเป็นอุปชาบุตรให้ลาทพ า, ามแต่ลาท่าพามนั้นบวชมาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจัง จนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้อย่างเด็ดขาดเป็นพระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนาเดว่าเข้าถึงพุทธพุทโธพุทธะที่เราภาวนาว่าพุทโธจะว่าไม่ดีไม่ได้พุทธพุทโธพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสียอย่างเดียว อะไรอะไรก็เกิดมีในพุทธศาสนาไม่ได้แม้เราทุกคนที่เกิดมาก็จะไม่ได้ยินเสียงคำว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจะไม่ได้เห็นผ้ากาสาวพัดของนักบูตรนุ่งหม่มแสดงออกให้เราเห็นถ้าไม่มีพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจา้าเมื่อพุทโธบังเกิดแล้วทุกจิิงทุกอย่าง ก็เปลี่ยนโลกให้เป็นธรรมไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลสงสัยอีกการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินั่งกรรมฐานก็อย่ามีใจท่อแทอ่อนแอพระพุทธเจ้าย่อมเป็นพระพุทธเจ้าวันยังคำพระพุทธเจ้ายอ่อมตั้งแต่วันตรัสลูมาตลอด จนนิพพานก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละแม้ท่านจะดับขันเข้าสู่นารพานแล้วก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่คือวัลลากิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดไม่มีกิเลสอย่างเก่าแก่จะมาปกคลุมจิตใจของพระพุทธเจ้าอีกชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าตลอดกาล ที่พระพุทธเจ้าดับขันเข้าสูน่นาฎพานพระพุทธเจ้าตายไปแล้วนะมันเป็นเพียงรูปร่างกายเป็นเลือนล่างของพระพุทธเจ้ามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจริ ง, รงๆไม่ได้แตกไม่ได้ตายบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลส พองใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าแก้วมณีโชติโลกเขาสมมุติว่าแก้วดวงเดวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นามพระไทยใจพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความคุณนข้องหมองใจมีจิตใจอันบริสุทธิ์เรียกว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าธรรมโมพระธรรม สังโฆพระอริยสงฆ์ลวนแล้วแต่เป็นของใสบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความปลอดไม่มีในใจความโลภอยากได้ไม่มีในใจความหลงไม่มีในใจของพุโทโธพุทธะพุโทโธพุทธะนั่นแหละไม่เฉพาะแต่ว่ามีในพระองค์อย่างเดียวแม่เราทุกคน พากันละลยิดความโกรธที่มีอยให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้มายึดหน้าถือตาไม่ให้มายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดว่าตัวเราของเราตัวเราของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็บอกสิบอกไว้ไม่ต้องแกนะ ฟันไม่ต้องหลุดนะเนื้อหนังบางสังไม่ต้องเหี่ยวนะผมไม่ให้งอกนะได้ที่ไหนถึงเวลามันผมงอกมันก็ขาวโพลนหมดหัวนะเวลาฟันหลุดออกมาก็หาฟันเขี้ยวเข้าไม่ได้แกชรลามาจะลุกก็ลองโอยโปวดหัวเขา หลวงพ่อมียาใส่หัวเข่าได้ที่ไหนช่วยเป่าให้หายเจ็บหัวเข่าบ้างมันจะได้อย่างไรชลาความแก่พยาดความเจ็บไขมารณะความตายมันมีอยู่อย่างนี้แต่จิตหลงจิตไม่รู้ของเราตังหามายึดเอาทุกขมันก็ได้ทุกตลอดวัน เมื่อไม่ยึดถือทุกข์สุขก็ไม่ยึดจิตมันก็ว่างจิตมันก็สบายการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาให้ร่างกายสบายมันแก่ก็ให้นมขึ้นมามันนมก็ให้เป็นเด็กขึ้นมามันไม่ได้อย่างนั้น ได้จิตตาภาวนาจิตใสสว่างกระจ่างแจ้งจิตไม่ยึดไม่ถือสุขทุกปรากฏการขึ้นมาได้ดีมีสุขก็ไม่หลงทุกยากลำบากลำคาญเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามท่านก็ไม่หลงนั่นแหละจึงชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจธรรมโมพระธรรมอยู่ในใจ สังโฆพระสงฆ์อยู่ในใจภาวนาอยู่ในใจจิตใจหมดใสสะอาดจิตใจภากายวาจาจิตประพฤติคุณงามความดีทานศีลภาวนาอยู่ทุกวีวันนี้แหละคือว่าพุทโธแท้ไม่ใช่พุทโธปลอม ไม่ใช่ใครจะมาปลอมเอาได้พุทโธนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ละกิเลสลาค ะ, ะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปจึงจะถึงคำว่าพุทโธนั้นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอธิวาธนาสิลิสนิจังวุ ธ, ธาปัจจายิโน ยัตตาโรโธรรมมาวันติอายุวันโนสุ ข, ขังภะลัง